สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคําชีวิตที่สมัณฐานและดีงามกฎข้อที่11ครับกฎข้อที่11ก็คือว่ากฎที่เกี่ยวข้องกับการมาก่อนมาหลังสิ่งที่เกิดก่อนสิ่งที่เกิดหลังพี่น้องครับในวันนี้เราอยู่ในประเด็นข้อที่8ก็คือว่า เราจะต้องสร้างแท่นบูชาก่อนแล้วสร้างพระวิหารทีหลังพี่น้องครับสร้างแท่นบูชาก่อนแล้วสร้างพระวิหารทีหลังความจริงในพระวจนะของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ในเอสราบทที่3เอสราบทที่3นะครับตั้งแต่ข้อที่1ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า หลังจากชนอิสราเอลได้ตั้งถิ่นฐานขึ้นในเมืองของตนแล้วเมื่อเดือนที่7พวกเขาก็มาชุมนุมในเยรูซาเล็มอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วเยชวาบุตรโยชาดักกับป oh ุโรหิตคนอื่นๆและเอเรลุบเบลบุตรเชาทิเอลกับพวกพ้องเริ่มสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพื่อถวายเครื่องเผาบูชา บนแท่นตามที่เขียนไว้ในบทบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้าถึงแม้ว่าประชากรเกรงกลัวชนชาติต่างๆที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นพวกเขาก็ยังสร้างแท่นบูชาขึ้นบนฐานเดิมและถวายเครื่องเผาบูชายามเช้าและยามเย็นแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพวกเขาก็ฉลองเทศกาลอยู่เพิงตามที่เขียนไว้ในบทบัญญัติพร้อมกับ ถวายเครื่องเผาบูชาตามจำนวนซึ่งระบุไว้สำหรับแต่และวันผมขอข้ามมาที่ข้อที่6นะครับข้อที่6นั้นได้บันทึกย่อยไว้อย่างนี้ว่าในวันที่หนึ่งของเดือนที่7พวกเขาเริ่มถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ยังไม่ได้เริ่มวางรากฐานพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า พี่นนท์ครับประเด็นที่สําคัญอยู่ตรงนี้ครับในวันที่หนึ่งของเดือนที่7พวกเขาเริ่มถวายเครื่องเผาบูชาแม้ยังไม่ได้เริ่มวางรากฐานพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแสดงว่าพวกเขานั้นสร้างแท่นบูชาก่อนการสร้างพระวิหารนั่นเป็นสิ่งที่น่าประหลาดมากนะครับโดยปกติแล้วเวลาเราจะ สร้างาวิหารหรือสร้างโบสถ์เราก็ต้องสร้างฐานรากของโบสถ์แล้วเราก็ต่อขึ้นไปเป็นเสาเป็นหลังคาพอข้างนอกเสร็จแล้วเราถึงจะสร้างข้างในใช่ไหมครับแต่ว่าในการสร้างวิหารของเอสรานั้นวิธีการสร้างของเขานั้นก็คือเขาสร้างแท่นบูชาและถวายบูชาก่อน แล้วจึงค่อยสร้างพระวิหารครอบที่หลังนั่นคือสิ่งแรกเลยครับที่ชาวยิวทำอย่างเป็นทางการคือเขาบูรณะแท่นบูชาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้านอกจากการสถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับสิ่งที่เขาได้รับต่อไปก็คือการปกป้องคุ้มครองอารักขาของพระองค์การสร้างแท่นบูชานี้ แสดงเห็นถึงเป้าหมายของชนทั้งชาติและการอุทิศ ต, ตนเพื่อรับใช้พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระคัมภีร์บันทึกว่าเรูปบเบลนั้นท่านได้ถวายเครื่องเผาบูชาตามที่ได้กำหนดไว้ในบทบัญญัติของโมเสสพี่น้องครับการถวายเครื่องเผาบูชานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่านั่นแสดงให้เห็นว่าประชาชนนั้นพวกเขาแสวงหาการทรงนาของพระเจ้า แสดงถึงการอุทิศตนเพื่อดำเนินชีวิตชีวิตดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยการเป็นเฉลยมาจากมมเดียเปอร์เซียกลับมาจากมีเดียเปอร์เซียกลับมาจากบาบิโลนพี่น้องครับคนหิวนั้นได้เห็นถึงหัวใจของการนมัส ก, การพระเจ้านั่นคือการสร้างแท่นบูชา เขาทูลขอพระเจ้าทรงอภัยโทษพวกบาปของพวกเขาทุกทุกวั น, วนพวกเขาชาวอิสราเอลนั้นก็บูรณะแท่นบูชาทันทีที่พวกเขาเดินทางมาถึงดินแดนนี้ผู้คนเริ่มหันกลับมานำบัสการพระเจ้าและเริ่มการบัสการพระเจ้าด้วยการถวายบูชาก่อนจะสร้างพระวิหารครับพี่น้องครับชนชาติอิสราเอลนั้นตกเป็นเฉลยอยู่หลายปี ประชากรประชาชนนั้นก็ได้รับบทเรียนตอนนี้พวกเขารู้แล้วครับว่าพระเจ้าจะปกป้องคนที่รักพระองค์พระเจ้าจะไม่ทรงปกป้องคนที่ทอดทิ้งพระองค์ตอนที่บาบิโลนนำพวกเขาไปเป็นเฉลยตอนนั้นพวกเขาแพ้สงครามแต่ยังแข็งแรงดีแต่ตอนนี้พวกเขามีจำนวน น, น้อยอ่อนแอ ถึงเวลาครับที่เขาจะต้องพึ่งพาฤทธิอำนาจของพระเจ้ามาบุรณะประเทศของเขาพวกเขาตระหนักถึงความสำคัญของการเชื่อฟังพระเจ้าที่ออกมาจากข้างในครับออกมาจากภายในออกมาจากจิตใจของเขาไม่ใช่ตามธรรมเนียมปฏิบัติเท่านั้นพี่น้องครับหากเราต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อเราต้องทำการใหญ่เราต้องให้ความสำคัญ การหยู่ใกล้ชิดพระองค์เป็นอันดับแรกเลยครับต้องสร้างแท่นบูชาก่อนต้องทําให้ใจของเราข้างในนั้นบริสุทธิ์ใสสะอาดไร้มนทินก่อนต้องขอการยกโทษยกบาปขอรับการอภัยจากพระเจ้าก่อนต้องมีใจติดสนิทกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเรียนรู้น้ำมันไทยของพระเจ้าก่อน แล้วจึงค่อยสร้างสิ่งที่อยู่ข้างนอกต่อไปนั่นคือวิหารที่จะครอบแท่นบูชานั้นพี่น้องครับท่านศาสนาจาันทร์ดเตอร์ฟิลิปเทงนั้นท่านเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าก่อนที่จะก่อสร้างคริสตจักรจะต้องมีความกระตือหรือร้อนรักพระเจ้าก่อนผู้ที่ถวายตัวเองแด่องค์พระบุญเจ้าก่อนต้องมีการร่วมอธิษฐานวิงวอน ทุนขอก่อนทุนขอให้พระเจ้าดำเนินันรกิจด้วยพระองค์เองและนี่คือการสร้างแท่นบูชาฝ่ายจิตวิญญาณครับถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแด่พระเจ้าก่อนหากมาในแนวทางที่ถูกต้องนี้คริสตจักรจะจำเริญนรุ่งเรืองและพัฒนามากขึ้น ที่น้องครับเราอาจเปรียบเทียบพวิหารกับคริสจักรของพระองค์เช่นกันครับอยากจะให้คริสจักรที่มีสง่าราศีถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านั่นหมายความว่าเราต้องสร้างแท่นบูชาในคริสจักรให้เรียบร้อยครับเราต้องดูแลแท่นบูชาในชีวิตของผู้คนแต่ละคนแต่ละคนว่าตัวเองเรียบร้อยหรือยังแท่นบูชาที่อยู่ใน ใจของตัวเองนั้นเรียบร้อยแล้ ว, รวหรือยังพี่น้องครับมีเพลงเพลงหนึ่งครับชื่อว่าแท่นบูชาภายในดวงใจแท่นบูชาภายในดวงใจพี่น้องคงจำได้นะครับว่าหลายครั้งทีเดียวเราเคยร้องเพลงนี้เนื้อเพลงนี้ได้บอกว่าแท่นบูชาภายในดวงใจสภาพอย่างไรขอคุณจงตรวจพินิษทวนที หรือว่ามันผุมันกร่อนสิ้นดีสัวหนิมมนทินราคีเกลกลังเหลือที่จะหาดีบิมีชไหนแท่นบูชาในดวงใจคุณมั่นคงสมบูรณ์และยังอบอุ่นด้วยรักยิ่งใหญ่หรือคุณยังโกรธยังเกลียดผู้ใดเคียดแค้นแผนการในใจไฟสูงมักใหญ่ ล้นไปด้วยการอาธรรมพี่น้องครับแท่นบูชาที่อยู่ภายในดวงใจของเรานั้นจาเป็นที่จะต้องจัดการให้เรียบร้อยให้สวยงามเราจะต้องสร้างแท่นบูชาก่อนครับแล้วจึงสร้างพวิหารทีหลังเราต้องสร้างคนก่อนครับเราต้องสร้างสาวกก่อนครับแล้วถึงจะสร้างโบสถ์เพราะว่าสาวกหลายหลายคนก็จะ ร่วมใจพร้อมใจกันสร้างโบทของเราให้สวยงามนั่นคือหลักคำสอนจากพระคัมภีร์เอสราบ ท, ที่3ในชาวันนี้สร้างแท่นบูชาก่อนครับแล้วสร้างพวิหารทีหลังสร้างชีวิตของเราก่อนแล้วค่อยสร้างเครื่องเสต่อไปจัดการกับแท่นบูชาในดวงใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนครับ แล้วถึงจะไปช่วยงานรับใช้ที่โบสถ์จัดการกับชีวิตส่วนตัวภายในของเราก่อนครับแล้วจึงจะแสดงออกมาภายนอกอามน